รับบิชรัลี صدر ي ويس ร ل ีอ م มรีอัพ ل ูลูกดัตม ا ลิส ف นียะฮ์ว์กาวลีอัลลัฮฺมะฝะเงาบิมา م ลั ن ต์นาอัลลั ن นาไม่ฝะ ن งา ا ัจ ا ีนาอั ا ล ن มร ن บบนาอ ل ลล ن ا นา م ن ا ล ا ม ن ต็ ن ا ์ร ل ลนาอัลลัมพ์บ م ن าอันนักูนาอัลลั ن ا ัลก้าส์รีมรับบนา เราทสบะวัน ah, ีอ um ่านอายที Ting ่สนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้แค่2อายเราเริ่มอ่านสาหรับคืนนี้อายัดที่3 4ถึง6อินชาอัลล์สอายด้วยกัน أ ع وقال الذين كفروا لا تأتي ا ل س َ ا ء ُ ا ل ب َ ل ا و َ ر َ ب ّ ي ل ت َ أ ت ي ن ك ُ م ع َ ا ل م ِ ا ل غ ي ب لا يعزب عنهم ث ق ا ل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ ا ل ้ที่เนรค ي ณในข้อกฎหมายของเรามุ่งม ل ่นต่อพวกเข ك هو الحق. ลลสี่อายั์นะครับเป็นอายั์ที่สามต่อจากอายั์ที่หนึ่งที่สองที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุภาอนัลลอฮ์มันเกี่ยวข้องกันยังไงอายัดที่สมนี้กับอายั์ที่ผ่านมาสองอายั์ที่เราเพิ่งอ่านที่เราอ่านไปแล้วสุรตุเซเบนะครับอย่างที่เราได้อธิบายไปว่าเริ่มต้นด้วยการ ่าวสดุดีสะระเสสะระเสริญอัลลอฮฺ س ب ละสรรเสริญเรื่องอะไรการสะรรเสริญการสะดุดีของบ่าวซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่สะรรเสริญอัลลอมาคลูกทั้งปวงล้วนแล้วแต่สะดุดีอัลลอฮุ س ب ะเพราะว่าพระองค์นั้นคือผู้สร้างพระองค์คือ ผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณลักษณะต่างๆอันสมบูรณ์ควรค่าแก่การที่เราจะต้องกล่าวสารเสริญด้วยใจจริงการกล่าวอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมันไม่ใช่การเสรแสร้งเรากล่าวออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่พูดเหมือนเวลาที่เราชมมนุษย์ด้วยกันบางทีแกล้งชมแต่เวลาที่เราชมอัลลอฮ์นี่เราแกล้งชมได้ไหมอัลลอฮ์จะรู้嘛 ว่าเรากำลังแกลงชมพระองค์อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละเป็นการเสรแ ส, นน ส, ะะสร้งต่อหน้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى Allah จัลลาฮ์ทรงรู้ดีเพราะฉะนั้นการกล่าวอัลฮัมดุลิลละนี่มันออกมาจากหัวใจของเราจริงๆไม่เหมือนกับที่มนุษย์ชมมนุษย์ด้วยกันมนุษย์กล่าวนู่นนี่นั่ น, นให้เกียรติคุณต่อมนุษย์ด้วยกันข้างในอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้อยู่สุบฮานอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นการที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเพราะ a l ะ a h คู่ควรกับการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ของบาต่อพระองค์จริงๆพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอายัดที่สองเนี่ยเจ้าละตะลาบอกว่าพระองค์รู้สิ่งที่จะเข้าไปในแผ่นดินแล้วสิ่งที่จะออกจากแผ่นดินสิ่งที่ลงมาจากท้องฟ้าสิ่งที่จะขึ้นไปสู่ท้องฟ้า อันนี้จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพระองค์เก็บรายละเอียดหมดเลยความสามารถระดับนี้ในโลกดุนียะนะในขณะนี้นะตอนนี้ที่บอกว่าขึ้นลงท้องฟ้าเข้าไปในดินแล้วก็ออกจากแผ่นดินเนี่ยก็คือณขณะนี้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียะเนี่ยเราได้เห็นเราได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของลัทธิสุภาลัางจาระกุดุรัชของพระองค์แล้ว นับประสาอะไรกับการที่พระองค์จะให้มีวันอาคิีรอห์ขึ้นมาพระองค์ทําไม่ได้หรือถ้าพระองค์มีอํานาจมากขนาดนี้พระองค์บอกว่าพระองค์จะทําวันอัคคีรอห์ขึ้นมามันยากตรงไหนสําหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมียังมีคนที่ไม่ยอมเชื่อว่าวันอัคคีรอห์นั้น จมาวันอ no, nah, um ัคคราษนั้นจะมีไม่ยอมเชื่อนั่นก็คือบรรดาคนที่ปฏิเสธวะเตลตีน ا ل س ا ع รสุาษ์นั่นแหละนะถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วหลักฐานการเกิดวันเคียร์มัตเนี่ยในอัลกุรอานจะพูดถึงหลักฐานหลาย a l l a h u m m a d u l i l l หลักฐานหลักฐานในอัลกุรอานที่พูดถึงวันเกียร์มัดเนี่ยจะพูดถึงหลากหลายมากแม้กระทั่งอายัดที่สองเมื่อกี้ที่เราบอกว่าออกจากดินเข้าไปสู่ดินเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานวันเกียร์มัดได้เวลาที่ฝนตกลงมาใช่ไหมครับเราอธิบายไปแล้วนิดหนึ่งเราเวลาที่ฝนตกลงมาแผ่นดินแห้งแล้งหมดแล้วมันไม่รู้ต้นไม้ตื่นมาจากไหนในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นเขา แชร์กันเยอะในโซเชียลที่ตามประเทศอะไรนะาตามทะเลทรายตามอะไรที่ดอกไม้อะไรมันผุดขึ้นมาท่ามกลางทะเลทรายดินเนี่ยเรานึกไม่ออกว่ามันจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาได้ยังไงแห้งขนาดนั้นแต่ล็อกซ์บอลตะลาสร้างได้แผ่นดินที่ตายแต่กลับมามีชีวิตด้วยผู้ต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นวันอัครกรอคก็ประมาณนั้นอาค ร, รีรรูปแบบเดียวกัน ตายไปหมดแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาได้แล้วจะแปลกตรงไหนแต่บรรดาคนกาเฟตก็ยังไม่ยอมไม่ยอมที่จะเชื่อแล้วก็อ้างว่าว่าล่ีนักฟรลาต็ตีนสาหบรรดาคนที่ปฏิเสธสัทานั้นกล่าวว่าวันอวสานนั้นจะไม่มาถึงหรอกวันสิ้นโลกนั้นไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นหรอกละตัลละก็เลยสั่งให้ท่านนบีสุ ล, ล, สลต่านอัสลมตอบกลับไป อุลจงตอบไปเถิดขัมัว่าบ้าลเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าพูดมาเนี่ยไม่มีทางเป็นไปตามที่เจ้าพูดนะสิ่งที่เจ้าพูดอ้างมาเนี่ยไม่เป็นความจริงวะรับบีวะรับบีเนี่ยเป็นการสาบานวะรับบีมันกับการที่มีความหมายเท่ากับวะลอฮ อะไรประมาณนี้แต่เราสาบานกับใครสาบานกับอัลลอห์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินพวกอาหรับเนี่ยเวลามันทะเลาะกันเนี่ยวันลอฮีวันลอฮีเนี่ยมันสาบาลลนอะไรนะมันมันเหมือนว่าต้องการให้เราเชื่อแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้แหละพวกนี้เวลามันสาบานนะแต่ว่าละเนี่ยการสาบานของพวกอาหรับเนี่ยก็จะใช้อันลอฮีวารับดีวารับดีก็คือด้วยขอสาบานด้วยพระเจ้าของฉัน วะรับบีและจะเตียมนักุญวันกิยามัต้ น, นจะมาหาเจ้าอย่างแน่นอนวันกิยามัตน้นจะมาอย่างแน่นอนอาลีมิลไวย์อาลีมิลไวย์เนี้ยเป็นซิฟะหรือเป็นคุณลักษณะที่ไปผูกโยงกับการสาบานเมื่อกี้วะรอบบีอาลีมิลไวยบขอสาบานด้วยพระเจ้าของฉันที่รอบรู้สิ่งเร้นลับทุกอย่าง สุดพระหานั่นแหละเราแต่เรารู้ทุกอย่างในท้องฟ้ารู้ทุกอย่างในแผ่นดินแล้วพระองค์ก็รู้ว่าวันเกียร์มัดจะมาแน่นอนอยู่ในการอยู่ในความรู้อยู่ในการจัดการอยู่ในการวางแผนของพระองค์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าเอาความรู้มาจากไหนที่เจ้าบอกว่าวันเกียร์มัดจะมาถึงนี่เจ้าเอาความรู้มาจากไหนเอาความรู้อะไรมาอ้างไม่มีความรู้อ้างมาเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นตอบไปเลยผู้ที่บอกว่าวันเกียร์มัดจะมาเนี่ยคืออัลลอฮ์ a พู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทุกอย่างและเตยนนคุเตมยนนคุณยืนย um, ัน um, โดยการจักคีดโดยการหนักแน่นในวิธีการสาบา น, นทุกครั้งเวลาที่อัลกุรอานสาบานเนี่ยเราเรียกวิธีการแบบอัดจัดคีดอุสรบุตรจัีดการยืนยันให้มีความหนักแน่น ในการสาบานซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่อัลละฮ์ต้องการให้ประกาศให้ชัดว่ามันเป็นอย่างนี้ อ, อ, อายักนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้การสาบานในการตอบกลับบรรดาผวกมิชริกีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวันเกียรติการยืนยันวันอัคยรอเนี่ยการสาบานแบบนี้สาบานกับอัลลอ์ ในการยืนยันวันอัครอห์เนี่ยวิธีแบบนี้เนี่ยในอัลกุรอานมีอยู่3มที่หนึ่งในจำนวนสามที่นั้นก็คืออายัดที่อายัดที่3มจากสุรุตสบะอีกสอที่อยู่ที่ไหนอีกสองที่เนี่ยอายัดที่หนึ่งในทั f s i รอนึ่งท a f บว่า هذه إحدى الآيات الثلاث ا ารับะลา ه ل ่น์มะม์ ل ะะ ا ะรับะะละะะะะะะะะะ ك ะะ من ะะ ل ะะะะะะ ا ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ กระดมรับข้อละเท่าละเทมีวะ ويستمبئونك أحقه قل إي وربي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين سورة يونس آيت ที่ห้าสิบสามพวกเขาถามเจ้าเกี <esta ann aden> ่ยวกับวันกิยามัตวยาสเตมบิอูนกะะฮักคนฮูเป็นความจริงหรือคุณอีอีนี่แปลว่า ใช่คำว่าอ e ีคำเดียวเนี่ยแปลว่าใช่กุลอีวารบีขอสาบานด้วยพระเจ้าของฉันอินนหะฮักมันคือความจริงและพวกเจ้าไม่สามารถที่จะนีพ้นความจริงนี้ได้อันนี้อันที่หนึ่งสุรหยุนุสอันที่สองอยู่ในสูรัุอัตตากบุน ز a g a m ที่บรรดานักก ف ฟารู้อั ل ลั่นยุบะษูคุลบละวะรับบีละตุบะษูนน์ทั้ ع ม์ละตุนบบ์อันบ์มางามิลตุมวะดาริกะอะลลอฮิ و าซีด ذ ุ ah ك ุตุ a g a ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขา z a g a คิดไปเองว่าวันกียรตจะไม่มีวันมาจงกล่าวเถิดัมมั สารบษาบานขอสาบานด้วยพระเจ้าของฉันพวกเจ้าจะต้องถูกให้ฟื้นคืนชีพอย่างแน่นอนนะพวกกาเฟสกล่าวว่าเราจะไม่ฟื้นคืนชีพโดยเด็ดขาดท่นานอบบีก็เลยได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้ตอบกลับไปอย่างหนักแน่นเรื่องวันอาเครอเนี่ยมุกมินต้องหนักแน่นเด็ดขาดไม่มีทางที่เราจะเพื่อแคลงสงสยัยใดใดได้ทั้งสิน้นนะครับคําตอบให้ชัดก่อน หลักฐานจะมีหรือไม่มีว่ากันทีหลังแต่ต้องตอบไห้ชัดว่าวันกิยามัตยังไงยังไงก็มาแน่นอนกลบลาวะรับบีและเะ็ทีน์นคุมมันจะต้องมาอย่างแน่นอนอาลิมิลไกรสาบานกับพระผู้อภิบานที่ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างละย์อื <c oughs> รูนเรินรนลบลายงจุมิาลัรตฟิสาตวลาฟิลอร์ไม่มีแม้เพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยเล็กน้อยขนาดไหนมิทกาลมิทกาลเนี่ยเป็นหน่วยชั่งอะชั่งกิโลถ้าสมมุติว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในจักรวาลนี้ นักเท่าดรั้งคำว่าดรั้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาหมายถึงมดตัวเล็กๆ เ, เน่ยมดมดตัวเล็กมากที่สุดนี่นเล็กขนาดไหนบางทีเรามองกับตาเปล่าไม่เห็นนะมดเนี่ยถ้ามันเล็กมากจริงๆหรือแตนะ่สมัยก่อนนะเขาเรียกดรั้งเนี่ยเขาเรียกกับฝุ่น ฝุ่นที่มันกระจายซึ่งเรามองกับตาบางทีไม่เห็นมีฝุ่นไหมในตัวเราได้มีฝุ่นไหมจะเห็นตอนไหนตอนที่มีมีแสงเข้ามาช่วงเย็นๆน่ะที่มันเล็ดลอดช่องหน้าต่างเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหฝุ่นมันเยอะเหมือนกันนั้นบ้านเราอะบางทีอยู่ดีๆเอ้ากวาดโต๊ะกวาดอะไรเอ้าฝุ่นมาจากไหนนั่นแหละคือกระหั ในสมัยก่อนเขาไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับอะไรก็เปรียบเทียบกับมดตัวเล็กๆหรือไม่ก็ฝุ่นที่กระจัดกระจายย่าอัลลอฮ์ไม่ออกไปจากความรับรู้ของอัลลอฮ์ سبحانه และาแล้วลไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> สมัยก่อนสิ่งที่เล็กที่สุดในการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นแค่มดตัวเล็กหรือเป็นแค่ฝุ่นแต่สมัยนี้เนี่ยมีสิ่งที่เล็กกว่าฝุ่นไหมอะ ใช่ไหม سبحان อัลลอฮ์และนี่ก็คือความมหัศ จ, จรรย์ของอัลกุรอานอัลกุรอานบอกว่าว่ลออัสรุมินเดลิกและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กกว่าฝุลดอะไรอ่ะเล็กกว่าฟุลดเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีมีอะไรกี่ชั้นเราก็เรียกไม่ถูกต้องไปถามพวกนักฟิสิกส์ระดับความเล็กของมันเนะี่ยฮะอะอะไรเน่ย นิวเคลียสไม่รู้เรียว่าอะไรโมเลกุลอัตอมหรือว่าอะไรก็รู้แยกลงไปอีกเล็กๆๆไม่ออกไปจากความรับรู้ของ Allah Subhanahu Wa Taala มีคำว่าเวลาอัศรเนี่ยมันครอบคลุมกินหมดทุกยุคสมัยทุกพื้นที่ทุกมิติไม่มีทาง ที่จะออกไปจากความรู้ของล็อกสุภาณาอัตตาละเพราะฉะนั้นบรรดาคนที่อ้างว่าวันเกียร์มัดไม่มีพวกเจ้าเอาความรู้มาจากไหนมาพูดอัลลอฮฺจ่าละบอกว่าวันเกียร์มัดมีเพราะพระองค์รู้แล้ว พ, พระองค์รู้ทุกอย่างรู้สิ่งที่เล็กที่สุดและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดวะลาอัคบาร์และไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนใหญ่โตที่สุดแค่ไหนบางทีเราก็ไม่รู้ สิ่งที่เล็กที่สุดเราก็ไม่รู้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดเรารู้ไหมรู้ไหมตอนนี้อะไรใหญ่ที่สุดเราก็ไม่รู้แต่สำหรับอัลลอฮ์เล็กที่สุดใหญ่ที่สุดอยู่ในการรอบรู้ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งสิญญาลมมยนะอดีมุมมะกลฟะฮฺซุบฮานอัลลอฮเพราะฉะนั้นนะครับจะเชื่อใครระหว่างคนที่ไม่มีความรู้ที่อ้างว่าไม่มีวันแก้ไม้ กับ Allah subhanahu wa taala ที่ทรงรู้และพระองค์บอกว่าวันเกยิยรติจะมีจริงๆ سبحان Allah นัสติบัญญาของเราจะไปอยู่ข้างใคร il لا إله إلا الله إلا في كتاب مبين ทั้งหมดนั้นถูกบันทึกเอาไว้แล้วบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ของ Allah subhanahu wa taala ในไม่ใช่คัมภีร์คัมภีร์นี้ไม่ถึงเลวุล์มัฟซ <c oughs> <c oughs> ในบันทึกของลอสุภาราตะลาพราะองค์บันทึกเอาไว้หมดแล้วว่ามันจะเกิดวันไหนอะไรแบบไหนล้อิละห์อิลลอตต์ทีนีนะ้ถ้ามีคนถามว่าจะมีไปทําไมวันเกียร์มัตโอเคยอมรับว่าวันเกียร์มัตอาจจะมีก็ได้แต่มันมีประโยชน์ตรงไหนนี่ไงไม่อยากให้มีวันเกียร์มัตจะมีแต่ในชีวิตนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าวันเกียร์มัตไม่ได้มีประโยชน์อะไร ละตัลาก็เลยให้ท <yap. S 1> ่านนบีพูดต่อนะครับละตัลาบอกต่อไปว่าซุ่มบรรดาขเรมักซูดมินลบอฟซุ่มบรรดาขเรามักซูดมินะล์เอฟละวะลาพูดเป้าประสงค์ของการให้มีการฟื้นคืนชีพละยจีลละดีนอมนวะมิลุศล มุค so, uh, okay. ีรออัติบาริย์และผู้ที่เนมคุณในข้อพระคัมภีร์ของพระองค์อยَางเช่นผَ้ที่อ่านพระคัมภีร์ขอ م َระ ف ِคَอย่างเคร่งครัดและมีความรู้ในพระคั้ภีร์ของพระองค์ พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและจะได้รับริสกีในวันเกียรติ์ริสกีในวันเกียรติ์ก็คือสวรรค์ริสกุลการีไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสวรรค์อีกแล้วเพราะฉะนั้นมาฟิโรตุนริสกุลการีริสกีที่ดีก็คือริสกีในสวรรค์ที่เราทุกคนอยากจะได้นี่คือจุด ป, ประสงค์ให้คนดีได้อยู่ในที่ของพวกเขา ส่วนคนที่วั ل الذين و ا ล, ลน ل ذ ي ن سعوا في آ ي ا ت ن าบรรดาคนที่พยายามจะขัดขวางคำสอนของเราพยายามที่จะทำความปั่นป่วนสร้างความสงสัยความเคลือบแคลง ในคัมภีร์ของเราในท a f s i ทเนี่ยอธิบายว่าในบทต่อในอายตินะบรรดาคนที่ไม่สนใจและพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยไม่สนใจเหมือนเขาตัวเองไม่ศรัทธาแล้วต้องการให้คนอื่นมามีเป็นพวกเดียวกันน่ะเหมือนชัยตอนตัวเองผิดแล้วต้องการให้คนอื่น ผิดเหมือนตัวเองตัวเองหลงแล้วต้องการให้คนอื่นหลงเหมือนกับตัวเองด้วยซาอูฟีอายตีนไปขวางคนอื่นไม่ให้มาฟังไปสร้างความสงสัยให้คนอื่นไม่ยอมรับความจริงศาสนาธรรมเจาลัทธิบาเราแต่ละนี่คือคนที่เข้าข่ายคำว่าวันลดีนะซาอูฟีอายาตีน่ฟิซซัดดี عن س ล ي ل الله วจักดีบีรุซูลีฮิขัดขวางเส้นทางของล l l a ขัดขวางศาสนาของล l l a ทำลายความจริงที่บรรดารอซูลพยายามนำเสนอให้กับมนุษย์ทำให้ผู้คนมีความสงสัยไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาไม่ยืนหยัดอยู่บนศัจธรรมเขาคายหมดเลย มาเอาจมานก็คือพยายามที่จะต่อสู้กับ Allah Subhanahu wa Taala لا إله إلا الله มีความรู้สึกว่า il ตัวเองสามารถเอาชนะ a l ะ a h ได้มีไหมครับคนประเภทนี้อย Allah ในอดีตก็เคยมีในอดีตนี้ใครที่เคยบอกว่าตัวเองพยายามจะสู้กับ Allah تعالى อันรับบุคคมูลอาละฉันคือพระเจ้าอันสูงสุดของพวกเจ้ามีคนพูดอย่างนี้มาก่อนแล้วฟิร์งฟิร์งอุนฟาโรนี่คือคนที่มัวใจซีนพยายามคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วฮาลัละลาโอะาอิล่าเบลลั่งแล้วปัจจุบันนี้ก็มีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกที่จมอยู่กับ คิดว่าตัวเองสามารถเข้าถึงวิทยาการใหม่ๆสามารถไปถึงนู่นถึงนี่นนั้นแล้วพยายามที่จะคิดว่าตัวเองนั้นคือพระเจ้าเสียเองเพราะสามารถที่จะเข้าถึงทุกอย่างได้แล้วในเฉพาะเรื่องนี้มีเอองเอไออะไรต่างๆนานาเนี่ยยิ่งเหมิมเกริมเข้าไปใหญ่นี่คือความหมายของคำว่าโมอาดีซีนและโมลาวาลาโคใจลาบิลล์ในอดีตก็มีปัจจุบันก็มีคนพวกนี้จะเป็นยังไง อลาอิคละห์มอาดับมิริจซินอไลมละห์มอาดบุนอลมุนมิริจซินถ้ามันสลับโดยความหมายกันเนี่ยมันสลับกันอย่างนั้นอาดับุนอไลมมิริจซินพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดจากความตกต่าความอัปยศอดสูมิริจซิน לא อิลล il aha إلَالله صوف الله لا إلَه إلَالله นี่คือจุดประสงค์ของวันกิยรติเราเห็นด้วยไหมตาละตาลาบอกว่าวันกิยรติเนี่ยเราจะให้คนดีได้อยู่ในสวรรค์เราจะให้คนชั่วอยู่ในนรกพวกเราเห็นด้วยไหม หรือว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่อยากให้มีวันเยียมันเราไม่เห็นด้วยเท่าไรเราาลจะให้คนดีอยู่ในสวรรค์คนชั่วยอยู่ในนรกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย <c oughs> ลองถามหัวใจเราดูพี่น้องครับทุกวันนี้ในโลกดุนีย์มีคนที่ชั่วร้ายเลวร้ายตั้งเท่าไหร่ลอยนวนใช่ไหมเมื่อไหร่ รับโทษกี่โมงอะสุภานั่นแหะแล้วไอ้พวกที่ลอยโนวนทั้งหลายแหล่นี่อบ์บัตรคนตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้เลยเอาเฉพาะแถวๆที่เรารู้จักเนี่ยเท่าไหร่บ้านเรามีไหมไอ้พวกที่อธรรมก็คือตั้งแต่เกิดมาก็อธรรมมาตลอดจนกระทั่งตายและไม่เคยได้รับอะไรที่ เป็นผลตอบแทนจากความผิดที่ตัวเองทำในโลกในโลกหรื่อเนี้ถ้าไม่มีวันอาครีรแล้วความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคงไม่ต้องยกตัวอย่างหลายอย่างที่เราได้ยินในข่าวเนี่ยเพิ่งหมดคดีความไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่ตายเป็นร้อยคนะ่ะมีใครรับโทษกี่คน และเราเห็นด้วยไหมที่จะให้มีวันอัคคีรอเพื่อเจ้ลาลอตเตอร์จะได้เอาคนที่ผิดไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ส่วนคนที่ถูกอาธรรมอินชาอัลลอฮ์ในดุน ي ة พวกเขาถูกอธรรมแต่ในวันอัคครอเราหวังว่าพวกเขาจะได้รับการให้เกียรติจากลอตเตอร์อัลลอฮ์ให้อยู่ในสวรรค์นี่คือจุดประสงค์ของวันแกมัดอา้าวใครสนับสนุนให้มีวันแกมัดสุบฮานอัลลอฮ์ มีแต่คนที่ชั่วเท่านั้นแหละที่ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีเกียร์มัดและนี่ก็คือสิ่งที่ัอาลาประกาศชัดเจนคนชั่วไม่มีทางที่อยากจะเจอกับวันก์มัดลอซิมเบลมิลกิ亚马อลอซมบินนฟซิลลูวามะไอฮัซบุลอินซานอัลลันจมะอิามะบลาการีนัลาอันนซวยบานะบัลยูรดุลอินซานลยจูรมามะ อัลตัล่าบอกว่ามนุษย์ต้องการที่จะทำชั่วก็เลยไม่อยากให้มีเกียร์มัถ้ามีเกียร์มัมันทำชั่วไม่ร้อยพอจะร้อยสักหน่อยแล้วเอามึนถึงนรกหดตัวไม่เอาแล้วมันมันไม่มันต้องมันต้องไม่มันต้องลืมทุกอย่างเวลาที่ทำเรื่องชั่วๆนั่นแหละน้าอุ้มจะเป็นหลักในเรืองลยเพราะฉะนั้นอาลตัล่าประกาศชัดเจนว่าเกียรมัมาแน่นอน ไอคนที่ไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้ในโลกนิยานี้วันอัคคเราได้เจอแน่นอนนะกุลให้ประกาศลเลยกุลเบาลารับบีละเตะียันนักมุ่งอัลัยสุบฮานาละลอีิคือความยุติธรรมของโลกสุบฮานอัลใจละการมีวันเกียร์มัดคืนหนึ่งในจํานวนความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าคนที่เคยนะ ได้รับบททดสอบในโลกโดุนยานี้แล้วพวกเขาผ่านบททดสอบนั้นได้สมควรเชื่อว่าเราจะให้เกียรติพวกเขาในวันอัคคีรัตด้วยรางวัลที่เหมาะสมกับการที่พวกเขาผ่านบททดสอบนั้นเลยละฮะอิลลัลอลอฮเพราะฉะนั้นนะคนที่รู้คนที่มีสติปัญญาคนที่เรียนคนที่พิจารณาก็าจะยอมรับ ่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเมีันการมัดแล้วเขาก็ย่กีนว่ามันต้องมาแน่นอนต้องมีแน่นอนว่ารัลล์ทีนอุตุลกิ่มเห็นเนี่ยอับอกลเลยว่ารัลล์ทีนอุตุลกิ่มบรรดาผู้ที่มีความรู้อัลเอาอัลอนบรดาคนที่เรียนบรรดาคนที่อ่านบรรดาคนที่รับฟังอัลกุรอาน รับฟังวิญญารับฟังการด ع و ة ของของท่านนาบีสุลตลฮ์ุฮัมัสลละคนที่ใช้สติปัญญาตรายตรองคำสอนของอัลลอฮละคำสอนของท่านนาบีถ้าเราเรียนเนี่ยแค่เปิดใจรับฟังเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่อัลลอลาพูดถึงเนี่ยคือความจริงจริงๆแล้วอายัดนี้เนี่ยมีการอธิบายสองแบบสรุปออกมานะครับ ว่ารับ الذين ال ال أ ُ إ ا و ت ُ ا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق บรรดาคนที่มีความรู้นั้นเขาเห็นว่าสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้กับท่านนบีนั้นคือความจริงถ้าเราไปดูในทัฟซีรนกซีเนี่ยโนกาซีฟบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันแกมัดมันเกิดขึ้นในวันแกมัดหมายถึงในวันอัคคีรอห์หมายถึงยังไงหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาพอไปถึงวันอัครห์เนี่ย ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยถูกต้องไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงในวันกียรติและบรรดาคนที่เคยศรัท ธ, ธาในโลกดุนยาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้มันตรงจริงๆมันตรงจริงๆกับที่เขาเคยศรัท ธ, ธามากับที่เขาเคยเรียนมากับที่เขาเคยอ่านเคยรับฟังมาอันนี้เกิดที่ไหนเกิดในวันอคัครา ว่าจะอะ ا ل นะ ب รับว่ายงนะมว่าว่า ا ีอะ م รนะครับว่าอย่างนั้นนะมีค่าที ا รู้ว่าว่าอย่างน ا ه นนะมีค่าที่รู้ว ا าว่าอย่างนั้นนะมีค่าที่รู้ว่าว ا ل อย่างนั้นนะมีค่าที่รู ن ว่าวาอะมี้ว่านันว่าว่ยางนันี่าท้ว่าวองวาัว่าอนรามที่า รับรู้มาแต่จริงๆแล้วมีตัปซีตอีกหลายตัปซีตอธิบายว่าหมายถึงในโลกดุนยียะในโลกดุนียะนี่แหละคนที่เรียนน่ะคนที่เปิดใจให้กับอัลกุรอานเนี่ยแค่เรียนว่าฮยูของรัสุบะนอาตตะละสักนิดหนึ่งเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งเขาก็จะสัมผัสได้ว่าว่าฮยูคือของจริง มันตรงหลายอย่างแต่ถ้าเราไปดูในคอธิบายของอัสซดีนี่บอัสซดีอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงาบอกว่าวยะรอนะอะไรนะวมอ์ลอิลานมยรอนะนััลลฮ์ลลัลัลััลัลั สิ่งที่อัลตัลาบอกในคำพีของพระองค์ประทานให้กับรอซูลของพระองค์เรื่องเล่าต่างๆที่รอซูลมาบอกเนี่ย ล, ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงรูน้ได้อท่งงวา่ากันวานั้ีวามันจากนั้อวากา 2. จรกนัู้อัวา้อวักนั้อันวากนัวาันจนข้อทกาก้ ตัวตนของคนที่มาเล่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านนาบีจะเป็นคนโกหกท่านนาบีไม่เคยเรียนมาก่อนเป็นอมมี่เป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วทําไมเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันผิดอุสัยของคนที่ไม่มีความรู้จะมามาเล่าให้คนอื่นฟังอะ่ะเข้าใจไหมครับสมมุติเราเนี่ยเราไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาเล่าเรื่อง นรกเล่าเรื่องสวรรค์เล่าเรื่องท้องฟ้าเล่าเรื่องดวงดาวเล่าเรื่องเด็กที่อยู่ในท้องเล่าเรื่องนกบนท้องฟ้าเล่าเรื่องปลาในท้องทะเลเล่าเรื่องทะเลเล่าเรื่องเอาความรู้มาจากไหนมุ่ห้มบัดเอาความรู้มาจากไหนใครสอน ทั้งหมดเนี่ยมาจากมุฮัมมัดหมดเลยนะอัลกุรอานทั้งเล่มนี่มาจากมุฮัมมัดสัลลัลลอฮอลฮิถามว่าใครสอน Muhammad, มุฮัมมัดให้รู้อัลกุรอานความรู้ที่เป็นวิทยาการที่ปัจจุบันนี้เขาเอามาวิจัยกันแบบขยายไปไม่รู้ตั้งกี่แขนงกี่สาขาเนี่ยความรู้มหาศาลนี้ถ้ามันไม่ใช่วายูจาก a l มันจะเป็นอะไรจากมนุษย์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อ่านจริ ง, รงๆเขาจะรู้เลยว่านี่คือความจริง เพราะคนที่มาเล่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดขึ้นเองหรือโกหกวะมินเยฮาตีมุาฟัตตีฮิลิลอุมูริลวากิวะรู้ว่ามันเป็นความจริงเพราะวะ่าหลังจากที่เฝ้าสังเกตสิ่งที่อลัลกุรอานบอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันตรงกันถ้าสมมติว่าอลัลกุรอานบอกแบบนี้ แล้วไปดูข้างนอกมันไม่ตรงกับที่อัลกุรอานบอกอโอเคไม่รับก็ได้ไม่มีปัญหามันไม่ตรงแต่สุดท้านะลออะไรที่อัลกุรอานบอกพอมาดูข้างนอกตรงตรงตรงเราเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกยุคสมัยแล้วมันจะไม่ยอมรับได้อย่างไรนะครับว่มิญเจฮ์ทิมายูชาฮิดูมายูชาฮิดูมิน أخبارها التي تقع عيانًا ว่าจากที่มาเห็นเหตุ ا ารณ์จากที่มาเห็นเหตุ ا ารณ์จากที่มาเห็นเหตุการณ์จากที่มาเห็นเหตุ ا ารณ์จากที่มาเห็นเหตุการณ์จากที่มาเหนจากที่มาเห็เหรี่มาเนเหตการณากที่มาเหุาร์จกที่มาเรจ่าเหนเหุาณทมานุกรณ์าี่มาเห็ายณ์กที่มาเห็นาที่มาุกรที่มหารณ์จากที่าามเห็า่านอหตการจาที่นรจทีุ่์ท ดั่นั้นว่ารับที่นั่งทูลกลิ่นที่อนุลให้คุณรับคือความจริงช่วยๆที่ให้เรารู้แล้วก็เอามาพิสูจน์อย่างเดียวไม่ใช่ว่ารับที่อนุลใหีคุณรับคือความจริงช่วยๆที่ให้เรารู้แล้วก็เอามที่สุด สำหรับการเอามาใช้ในการดำรงชีวิตในอัลกุรอานไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าแต่ยังมีคำแนะนำคำแนะนำว่าจะใช้ชีวิตยังไงํำสั่งสั่งให้ทำํำสั่งสั่งห้ามไม่ให้ทำนี่แหละคือฮิดายะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอย่างเดียวคัมภีรบางคัมภีรอาจจะมีแต่เรื่องเล่าแต่ไม่ได้มีคำแนะนำแต่อัลกุรอานนี้มีทั้งเรื่องเล่าและ ม, มีคาแนะนาด้วย อันนี้คือคาอธิบายที่สัดีเองเป็นคนอธิบายนะครับว่าวยาโรนะในอวามิริวนาวาฮีอันนาจะถือได้อัละสิรัติมุสต์เตมอะไรบ้างสอนให้เรารู้จักอัลลอฮ์สองให้เราทาดีกับพ่อแม่เนี่ยอักขรัสสอนให้เราทาดีกับพ่อแม่เบริลวาลีได้วาซิลติลอะรฮะแลอิพซานอีลาอุมมุลขัลก วเหนือว่าและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและน ا ้นและนั้นและ ا ل ้นและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและนั้นและน ش ้นและนั้นและนั้นและนั้นแลนและนั้นและละนั้นและและนั้นแลนั้นนั้นนและนั้นและนั้ะแนะนั้นแ้น้ จะรู้จักอัลลอ์ยังไง <laughs> จะทำดีกับมัคดุวยกันยังไงต้องต้องละทิ้งอะไรบ้างอบายะมุกอะไรที่มีโทษกับตัวเองริบาจีนาซอเลมฆ่าคนเหล่านี้คือสิ่งที่อัลกุรอานระบุเอาไว้เป็นสับ ร, ร้อยอ <laughs> ลอัลเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นทั้งฮักกะเป็นความจริงและเป็นทั้งฮูดาเป็นทั้งห ah ีเดที่จะนามนุษยชาติให้ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยแน่นอนนะครับว่านี่คือข้อเท็จจริงที่อัลลอฮ์ละ ت ได้ใช้ให้ท่านนบีสลตุสัลัมตอบกลับไปยังบรรดาคนที่ยังดื้ออยู่ยังไม่ยอมรับอัลกุรอานและยังไม่ยอมรับสัตธาต่อัลล์และลวันกิยามร์อัลลอฮฺจักนามินลุมินีนอัลมูวนีนบออายติกา เِ ر َอัลหะมดีแก่อั ر หะมัดราฮิมีขอรูอ่าให้อัล سبحانه และ تعالى ทำให้เรานั้นยืนยันยั่งนมีความศรัทธาที่มั่นคงออายะห์ของอัลล์ ب ح ب ن ا ن ه และ تعالى ด้วยนะครับอาเมนอัร็นผู้ทรงเป็นนผู้ทรงเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรนผู้ทรงเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงเป็นรงเป็นผู็นผู้ทรงเป็นผูนผูน็นร็ร็ูน والسلام على المرسلين ا ل ح م د لله رب العالمين ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته